แทเวภิกขุวาระเอกาทสกัว่าด้วยวาระการให้มานัตแก่ภิกษุสองรูป11กรณีภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังฆาทิเศตภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังฆาทิเศตว่าเป็นอาบัตสังฆาทิเศต รูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกกฎและพึงให้ปริวาทในกองอาบัตตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานัดแก่ภิกษุทั้งสองรูปภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังฆาทิเศษ ภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจในอาบัตสังคาทิเศษรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกกฎและผึงให้ปริวาสในกองอาบัตตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานัดแก่ภิกษุทั้งสองรูปภิกษุสองรูปต้องอาบัตัิดสังอาทิสกี่ ภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังคาทิเศษว่าเป็นอาบัตเจือกันรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่ ง, ไ, งไม่ได้ปิดไว้รูปใดปิดไว้สงพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกกฏและพึงให้ปริวาทในกองอาบัตตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานัดแก่ภิกษุทั้งสองรูป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 และพึงให้ปริวาในกองอาบัด ต, ตามที่ปิดไว้แก่รูปที่ปิดนั้นแล้วให้มานัดแก่ภิกษุทั้งสองรูปภิกษุสองรูปต้องละหุกาบัดล้วนภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในละหุกาบัดล้วนว่าเป็นอาบัดสังคาทิเศตรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้ รูปใดปิดไว้สงพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกกฎพึงปรับภิกษุทั้งสองรูปตามธรรมภิกษุสองรูปต้องละหุกาบัตล้วนภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในละหุกาบัตล้วนว่าเป็นละหุกาบัตล้วนรูปหนึ่งปิดไว้รูปหนึ่งไม่ได้ปิดไว้ รูปใดปิดไว้สงพึงให้รูปนั้นแสดงอาบัตทุกกฎพึงปรับภิกษุทั้งสองรูปตามธรรมภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังคาทิเศตภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังคาทิเศตว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศตรูปหนึ่งคิดว่าจกบอกรูปหนึ่งคิดว่าจกไม่บอก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 ภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังคาทิเศตภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นในอาบัตสังคาทิเศตว่าเป็นอาบัตสังคาทิเศตจึงไปด้วยคิดว่าจะบอกในระหว่างทางรูปหนึ่งเกิดความคิดลบหลูว่าจะไม่บอกภิกษุนั้นปิดไว้ถึงยามที่หนึ่งบ้างปิดไว้ถึงยามที่สองบ้าง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 แล้วให้มานัดแก่ภิกษุทั้งสองรูปภิกษุสองรูปต้องอาบัตสังคาทิเศษเมื่อภิกษุกำลังยกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดงอยู่ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายทราบเดี๋ยวนี้เองว่าได้ยินว่าทมแม้นี้มาในสูตรนับเนื่องในสูตร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 แล้วให้มานัดแก่ภิกษุทั้งสองรูปทเวภิกขุวาระเอกาทศกะจบ